เง น, นยุคนี้ก็คือพระกูบาสีวิชัยทูกกล่าวหาโดยข่าวลือว่าพยายามยุแยกให้ประชาชนแตกความสามัคคีกระด้างกระเดืองต่อ ก, กฎหมายบ้านเมืองทั้งๆ ท, ท, ที่ยังครองจีวรเป็นพระสรุปแล้วพระกูบาสีวิชัยคือนักปลุกระดมมวลชนตัวสำคัญที่จะก่อให้แผ่นดินภาคเหนือลุกเป็นไฟในยุคน้นก่อนยุคนี้ เหมือนกันอีกอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเพศปรรัญญชชตหรือคราวาดทาลิจะเป็นนักปลุกระดมมวลชนแล้วก็อย่าเป็นคนยากจนเป็นคนมั่งมีไม่เป็นไรต่อให้ยุแยกแบ่งแยกประชาชนยังไงก็ถือว่าท่านทาถูกทาชอบทั้งนั้นเพราะครูบาศีวิชัยเป็นพระบรรนนอกที่ยากจนทำอะไรแม้จะบริสุทธิ์และเจตนาดีเพียงไร ก็เป็นที่กีดขวางขวางหน้าขวางตาของชนชั้นปกครองและชนชั้นที่มีเงินอยู่ร่ำไปพิธกับพระบางรูปในยุคนี้เคลื่อนไหวปลุกระดมมวลชนเฉพาะที่มีเงินอย่างเปิดเผยท่านก็อย่างว่าไม่ผิดทั้ง ท, งทางธรรมวินยัยและกฎหมายบ้านเมืองมีหนำซ้ำยังได้รับการยกย่องแซ่ซ้องสรรเสริญจากบรรดาชนชั้นผู้มั่งมีอย่างกว้างขวาง สังคมแม้จะต่างยุคต่างสมัยกันแต่ชนชั้นของมนุษย์ไม่เคยแตกต่างกันเลยความร่วมมืออย่างเหนียวแน่นของชนชั้นปกครองระดับชนชั้นมั่งมียังดำรงอยู่ตั้งแต่พระกูบาสีวิชัยมาจนถึงยุคนี้ รู้แน่กันจริงหรือหรือเพียงฟังใครเอย่ยไม่ชัวไม่เคยเห็นมากับตาตัวเองโทคนที่ตื่นข้าวหน้าซึบสาวเสียก่อนก่อนรุมคมเหเขาชั่วกันจริงหรือหรือ่ังเลยช่วยเชงไม่คลรงไม่เกรงผลกรรมที่ทำหรือไรมัน ที่ทำแล้วรือเพียงเขาดื้อแล้วเชื่อแล้วชวนกันใส่ไฟควรตามคนจริงให้แน่ใจมิใช่เอาแค่เชื่อใครใครด้วยเหตุผลก็พอแม่ริงเป็นอีกอย่างแต่ตุพร่างว่าผิดบิดเบือนละนอนคนบาป ก, ก็เป็นแล้วแล้วคืนใครทำต่อก็ขอกรรมเองรับเองบาปเองของจริง มันยุติธรรมแล้วหรือเพียงข่าวลือแล้วเชื่อแล้วชวนกันใส่ไปควรตามคนจริงให้แน่ใจมิใช่เอาแค่เชื่อใครใครด้วยเหตุผลก็พอแม้จริงเป็นอีกอย่างแต่ถูกพรางว่าผิดติดเบื้อหละหนองคนมาก็เป็นแล้วแล้วคืนใครทำต่อ รับเองบากเองของจริง นั่นก็คือภายหลังข่าวลือที่ได้รับการระบายสีสิจนหนาหูพอสมควรแล้วเจ้าเมืองลาพูนก็ได้ใช้อำนาจตามกฎหมายสั่งให้เจ้าคณะจังหวัดลาพูนดำเนินการเล่นงานพระกูบาสีวิชัยอย่างเฉียบขาดโดยอ้างว่าเพื่อตัดไฟแต่ต้นรมมาตรการแรกที่ใช้กำราบพระกูบาศีวิชัยก็คือมีหนังสือด่วนมากลับเฉพาะ จากเจ้าคณะจังหวัดลำพูนส่งผ่านเจ้าคณะแขวงไปถึงพระกูบาสีวิชัยหนังสือด่วนมากรับเฉพาะของเจ้าคณะจังหวัดลำพูนมีดังนี้วันที่12มกราคมพุทธศักราช 2,462 เจ้าคณะจังหวัดลำพูน ถึงพระศรีวิชัยวัดบ้านปางเนื่องที่ท่านไม่ฟังคําบังคับบัญชาของฉันและเจ้าคณะแขวงลี้กลับขัดขืนต่อระเบียบราชการบ้านเมืองการสํารวจพระอารามกับการอื่นๆหลายประการบัดนี้พระสงฆ์ทั้งหลายเห็นว่าท่านไม่ควรอยู่วัดนี้ต่อไปเพราะฉะนั้นนับแต่วันที่ท่านได้รับคําสั่งนี้ กลับได้ฟังคำปรึกษาโทษเป็นต้นไปให้ท่านออกไปให้พ้นเขตจังหวัดลาพูนใน15้าวันนับตั้งแต่วันประกาศนี้ลงนามพระครูยานมงคลพร้อมกันกับคำสั่งดังกล่าวเจ้าคณะจังหวัดลาพูนก็สำทับคำสั่งไปยังวัดในเขตจังหวัดลมพูนทุกวัดดังนี้พระครูยานมงคลเจ้าคณะจังหวัดลาพูน ประกาศมายังหัววัดเจ้าอาธิการหัวหมวดอุปชาซึ่งอยู่ในเขตจังหวัดลาพูนทุกแขนงทุกตําบลให้ทราบทั่วกันด้วยว่าพระศรีวิชัยวัดบ้านปางมีความผิดถูกขับไล่ออกจากจังหวัดลาพูนถ้าพระศรีวิชัยไปขออยู่วัดวาอารามในตําบลในเขตลาพูนนี้อย่าได้ให้อาศัยอยู่เป็นอันขาด นี่คือความเป็นธรรมที่พระกูบาศรีวิชัยได้รับจากผู้ครองจีวรนสีเดียวกับท่านพระกูบาศรีวิชัยเป็นผู้สร้างวัดบ้านปางขึ้นมาโดยทางราชการหรือทางการสงในเมืองลำพูนไม่เคยให้ความช่วยเหลือใดๆเลยและแล้วพระกูบาศรีวิชัยก็ถูกขับไล่ไปเสียจากวัดที่สร้างขึ้นมา ยิ่งกว่านั้นเจ้าคณะจังหวัดลำพูนยังแสดงความเกเลเอไรศิลธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเฝ้าสั่งสอนอบรมมานับเป็นพันๆปีด้วยการสั่งห้ามไม่ให้วัดใดในเขตเมืองลำพูนรับเอาครูบาศีวิชัยไว้พักพิงอีกด้วยนี่หรือคือสาวกของพระพุทธองค์ผู้ทาหน้าที่สืบศาสนาแห่งความเมตตาให้ยืนยาว ช่วงนรัดนดนเมื่อเจ้าคณะแขวงลีเดินทางไปวัดบ้านปางยนนื่นหนังสือสำคัญของเจ้าคณะจังหวัดลำพูนให้พระครูบาศรีวิชัยซึ่งเรื่องราวตอนนั้นก็เล่าไว้ว่าพระครูบาศรีวิชัยได้ถามเจ้าคณะแขวงและในอําเภอลีว่าพระครูมาขับไล่ข้าพเจ้านี้ข้าพเจ้ามีข้อผิดในพระวินัย และผิดด้วยพุทธบัญญัติล่วงอาญาของพุทธจักรแห่งองค์พระสัพพัญยูข้อหนึ่งข้อใดยังไม่รู้สึกตนขอพระกุณเจ้าแถลงให้ข้าพเจ้าทราบด้วยเจ้าขณะแขวงก็ตอบว่าเราไม่รู้จะพูดว่ากะเพราะอาญาบ้านเมืองเขาให้ขับไล่ด้วยเหตุกระทำผิดให้เดือดร้อนบ้านเมือง พระศรวิชัยก็บรรยายให้เจ้าคณะแขวงกับในอำเภอได้ทราบว่าอาธิกรอนครั้งแรกที่ถูกหาว่าเป็นพระอุปชายยะเถื่อนก็พ้นไปแล้วข้อหาขัดขืนไม่เข้าร่วมประชุมพิจารณาพระราชบัญญัติสงฆ์ก็พ้นไปแล้วความผิดที่ไม่ยอมสำรวจจำนวนทำรารชื่อพระทรงให้นั้นก็ชี้แจงว่าตนเป็นพระลูกวัด ไม่มีอำนาจจะทำได้เรื่องก็ยุติเงียบหายไปถึงแปดปีครั้นมาบัดนี้กลับมาถูกลงโทษพระครูบาศิวิชัยท่านจึงย้ำถามว่าท่านทำผิดข้อใดแหละบ้านเมืองเดือดร้อนตรงไหนในการที่มีผู้คนทั้งผู้บัญระจิตและคารวาสมาซ่องสมรับฟังคำเทศนาสั่งสอนจากท่านทุกวี่ทุกวันทั้งเจ้าคณะแขวง และในอำเภอลี้ตอบข้อถามของพระกูบาไม่ได้สักคนเมื่อทางจังหวัดํำพูนได้ข่าวจากอำเภอลี้ว่าพระกูบาศรีวิชัยประกาศไม่ยอมปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าคณะจังหวัดไม่ยอมออกจากวัดบ้านปางไปข้างไหนโดยเด็ดขาด เจ้าคณะจังหวัดก็ร้อนใจจำต้องหันไปพึ่งอำนาจฝ่ายปกครองคือผู้ว่าราชการเมืองและเจ้าผู้ครองนครลำพูนผู้ว่าก็จนด้วยก้าวด้แต่ขอบารมีเจ้าครองนครคือเจ้าจาักคำขจรสักว์เป็นที่พึ่งของท่านให้ออกหน้าบงการไปยังพระครูบาศรีวิชัยและบรรดาภิกษุสามนเณรสานุสิตทั้งหลาย ขอให้พระครูให้ยอมปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าคณะจังหวัดโดยเดินทางมารับการไต่สวนความผิดแต่โดยดีเจ้าจากขขักคำขจรศักให้ความร่วมมือกับฝ่ายผู้ว่าราชการอย่างเต็มที่โดยมีหนังสือส่วนตัวของท่านไปยังพระครูบาสิวิชัยโดยด่วนความในหนังสือเจ้าครองนครลาพูนมีอยู่ว่าให้พระครูบาสิวิชัย และบรรดาพระเนนตลอดจนบรรดาสานุรสิทธิ์ทั้งปวงของวัดบ้านปางเร่งไปพบกับเจ้าคณะจังหวัดลำพูนแต่โดยดีอย่าได้ขัดขืนลงท้ายด้วยถ้อยคำปลอบใจที่ว่าเราพร้อมที่จะให้ความยุติธรรมแก่ท่านและพวกพ้องทุกคน ได้รับสารจากเจ้าผู้ครองนครลำพูนพระครูบาสีวิชัยถึงกับอ้ามอึง้งตะลึงคิดอยู่พักใหญ่ก็ประกาศชุมนุมพระเนนผู้เป็นสาวกของท่านซึ่งมีอยู่ถึง400รอรูปเศษพร้อมทั้งอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายทั้งปวงของวัดบ้านปางซึ่งมีอยู่หลายร้อยเมื่อทุกคนมาพร้อมหน้ากันแล้วพระครูบาสีวิชัยได้กล่าว ในที่ประชุมด้วยถ้อยคำด้วยวาจาที่ประทับใจดังนี้สิษธและศรัทธาทั้งหลายบัดนี้ภัยมาถึงตัวเราแล้วเจ้าคณะจังหวัดพร้อมด้วยเจ้าจักคำเจ้าเหนือหัวลาพูนมีหนังสือมาว่าให้ท่านทั้งหลายที่ปฏิบัติธรรมอย่างเดียวกับเราเดินทางไปสู่จังหวัดลาพูนเรื่องนี้ ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยจัดเป็นเรื่องใหญ่โตถ้าเข้าไปถึงเจ้าคณะลำพูนแล้วจะดีร้ายประการใดหาทราบไม่เพราะเป็นการภายหน้าเราไม่อาจพยากรได้อันตัวเรานั้นหากจะต้องโทษหรือที่สุดหากจะถึงแก่ความตายด้วยอำนาจอันไม่เป็นธรรมข้อใดข้อหนึ่งเราหาได้วันวิตกไม่ เพราะชีวิตของเราเกิดมาเพื่อผู้อื่นไม่ใช่เพื่อตัวเองเราถือเอาพระธรรมและคุณธรรมเป็นที่พึ่งเราขอให้คำสัตว์แก่พวกท่านว่าจะยึดเอาความดีเป็นหลักประกันและยินดีตายในพุทธจักรโดยไม่หวั่นไหวหากบรรดาสิทธิ์ของเรากลัวราชภัยอันจะเกิดในระยะอันใกล้ชิดนี้ ก็จงหนีเอาตัวรอดจะไปอยู่ณที่ใดก็สุดแต่ใจสมัครหรือท่านผู้ใดจะเข้าไปหาเจ้าคณะแขวงเพื่อปฏิบัติตามระเบียบการปกครองให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติก็ตามใจเราไม่ห้ามเราขอประวารณาตัวว่าเมื่อเราช่วยท่านไม่ได้ในชาตินี้หากเราสิ้นบุญไปแล้วและเกิดใหม่ก็จะยินดี จะช่วยทุกชาติไปแล้วครูบาศีวิชัยก็แสดงจิตใจประชาธิปไตยออกมาโดยให้บรรดาผู้เข้าประชุมทั้งบรรพชิตและครวาดแสดงความคิดเห็นออกมาต่อหน้าท่าน ว่าเมื่อพระกูบาสีวิชัยกล่าวความจริงใจของท่านจบสิ้นลงแล้วแทนที่จะมีการถกเถียงแสดงความคิดเห็นจากผู้เข้าประชุมทุกคนทั้งพระเนนและชาวบ้านทั้งปวงกลับเป่งเสียงกันขึ้นอื้ออึงด้วยความเห็นเป็นเอกฉันว่าทุกคนทั้งพระเนนและขรืหัดขอเดินทางร่วมกับพระกูบาสีวิชัย เพื่อไปรับการพิจารณาไต่สวนจากเจ้าคณะจังหวัดตรังพูลด้วยความสมัครใจเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันศรัทธาอันแลงกล้าของบรรดาเพื่อนมนุษย์ผู้รักความเป็นธรรมเหล่านั้นทำให้พระคูบาศีวิชัยประทับใจจนน้ำตาคลอดวงตาทั้งคู่ของท่านความสมัครใจอันพร้อมเพลียงกันของพระเนมและครหัสจานวนพันคนเศษนั้น หาได้เกิดเพราะพระกูบาศิวิชัยเป็นผู้วิเศษผู้โดนบันดาลทุกสิ่งที่ปรารถนาในมนุษย์โลกให้แก่พวกเขาไม่หากแต่เป็นเพราะอํนานาจแห่งความบริสุทธิ์ของเจตนาที่พระกูบาศิวิชัยมีต่อพระพุทธศาสนาและบำเพ็ญตัวของท่านเพื่อผู้อื่นวิใช่ตัวของท่านเองอยู่ตลอดเวลาที่ดนบันดาลให้หัวใจของคนพันคนเศษ สามารถรวบรวมผนึกกันเข้าเป็นหัวใจดวงเดียวกันแต่ก่อนขบวนของพระและสามเณรและประชาชนบ้านปางจำนวนพันคนจะเคลื่อนเข้าสู่เมืองลำพูนเพียงวันเดียวนางอุสาผู้เป็นโยมแม่ของพระครูบาสีวิชัยก็ได้เข้ามาพบกับพระผู้บุตรเป็นการด่วนด้วยน้ำตาหนองหน้า สาของพระกูบาศรีวิชัยทิ้งให้โยมพ่อดูแลบ้านเลือนแทนส่วนนางรุดไปพบกับพระกูบาศรีวิชัยผู้บุตรด้วยดวงใจอันระทึกวันหวาบตามอำนาจของความรักที่แม่มีต่อลูกเมื่อได้พบกันพระกูบาศรีวิชัยได้ต้อนรับโยมแม่ของท่านด้วยกริยาอันคารวะช่มช้อยใบหน้ายิ้มแย้ม เป็นปกติดุดไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากแต่ถามทุกสุขทางครอบครัวกันแล้วพระกูบาสีวิชัยก็ถามโยมแม่ว่ามอหาด้วยกิจอันใดหรือโยมแม่แม่อุสาก็บอกไปตามตรงว่าตลอดเวลาที่ลูกมีเรื่องแล้ว่อกับแม่หาความสุขมาได้เลยด้วยเกิดความห่วงใยหนิ่งนัก ครั้งนี้ยิ่งเป็นเรื่อง่ายนักขึ้นถึงคณะผู้ค้องละครมีบัญชาให้ไปหมอกตัวไต่สวนเห็นเจ้าตัวบรอดเป็นแน่แท่แม่มาหาครั้งนี้ก็เพื่อจะขอล้องลูกหากในนมพระพุทธศาสนาฮอนัก็ลาศิษขาบทกลับมาอยู่บ้านห้องทำมาหากินตามภาษาฮั่วเต หากนอยู่ต่อไปก็รังแต่ให้พ่อกกับแม่ทุกใจหาความสุขบ่ได้ซึ่งเท่ากับเร่งวันตายของพ่อแม่พือไกรเข้ามากล่าวแล้วแม่อุสาก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นทำเอาพระเนนและคนทั้งปวงที่อยู่ณที่นั้นอั้าอึ้งตะลึงงันกันไปหมดเพราะกูบาศรีวิชัยเท่านั้น ที่ยังยิ้มเป็นปกติและได้กล่าวปลอบใจโยมแม่ออกมาด้วยวาจาซึ่งเป็นที่จดจำและเล่าสู่กันฟังมาจนถึงทุกวันนี้ว่าโยมแม่อย่าได้ทุกข์ใจและเป็น ห, ห่วงใยให้มากนนัทอันความทุกข์ แรงความสุขในโลกนี้ไม่ใช่ของกีรังยั่งยืนย่อมหมุนเวียนเปลี่ยนไปเหมือนล้อเวียนที่บดไปตามรอยตีนโคอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็ยากที่จะทนทุกข์เสียได้เราจึงต้องต่อสู้กับความทุกนั้นอย่ายอมแพ้ง่ายๆแม้แต่พระพุทธองค์ซึ่งจักว่าเป็นผู้ที่มีความสุขที่สุด ภายใต้สวีตจัแวดล้อมไปด้วยคาราชบริพานและสิ่งบำมเิกความสุขทั้งปวงก็ยังมีความทุกข์สาอะไรกับอาตมาซึ่งเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาทุกชีวิตย่อมเป็นไปตามกุศลและอกุศลที่ตนทมแต่อดีตชาติและในปัจจุบันชาติที่พ่อแม่และลูกได้เกิดมาในสภาพที่ยากจนเช่นนี้ ความทุกข์ยากที่เผชิญมาตลอดจนการถูกกล่าวหาโทษต่างๆนั้นจัดว่าเป็นทุกข์ที่น้อยนิดไม่อาจะเทียบได้กับความทุกข์ที่ได้รับในนรกภูมิุมและในอบายทั้งปวง ข่าวคำวอลลาศิขาบทนั้นพระครูบาศิวิชัยได้กล่าวกับโยมแม่ของท่านว่าที่จะให้อัตมาลาจากเพศของบรรพชิตกลับสู่สภาพครือธาตเพื่อหาเลี้ยงโยมพ่อโยมแม่นั้นก็เป็นการสมควรอยู่แต่พิจารณาอีด้านแล้วก็ดูดลานหนึ่งอัตมาไม่รักโยมพ่อโยมแม่เลยเพราะอัตมา ยังไม่ได้โปรดยมพ่อยมแม่ด้วยการบำเพ็ญบุญให้ถึงที่สุดส่วนกรณีความคิดผิดต่างๆทางกับินบ้านกับเมืองที่เขาปราบหาอธรรมอธรราจะไม่ยอดขอตอการบารีบารธรรมอธตมมจะรักษาศีลบำเพ็ญทานบารมีศีลบารมีเนฆามบารมีอุเบกขาบารมีขันติบารมี อาตมาขอปัญญาณจะขอตายในโลกกาสวัฏพัทขอตายในพุทธิจักการที่ทำชินนีก็เพราะลักโยมพ่อโยมแม่และตนตัวเองปราถนาช่วยโยมพอโยมแม่ได้สุขในชาติหน้าส่วนตัวอาตมนั้นจะขอยึดเอาอานิพพานเป็นสถานที่สิ้นทุกข์ในที่สุการทําทำฉินดีแล้ว จึงจะเรียกเลยว่าโยมพ่อยยมแม่เป็นเป็นบิดาบรรดาแท้ของอัตมาขอให้ความรักของอัตมาที่มีต่อยยมพ่อยยมแม่จงเป็นเป็นเงื่อนงำบุญนุอย่าให้ยยมแม่ต้องมาทุกร้อนทุกทุกใจมาบำมิวรรณาให้ลลาศิษท์พระบทอีกเลย เพียงเท่านี้รถพระธรรมก็แล่นเข้าสู่ดวงจิตของโยมแม่อุสาด้วยจิตที่ครอบคลุมด้วยเมฆหนาแห่งกิเลสของปุถุชนก็ได้รับการคลี่คลายลงทันทีด้วยดวงตะวันแห่งธรรมะแม่อุสาบังเกิดจิตใจจำกระจ่างราวกับท้องฟ้าที่แจ่มใสปราดจากเมฆหมอกนางถึงกับยิ้มได้ทั้งน้าตาและกล่าวตอบ พระผู้บุตรไปว่าเอาเถอะเมื่อพระมีเจตนาแหลงแก่อย่างนั้นยมขอขอสนับสนุนยมจะบอกกระทำตนเป็นมันคอยในร่างสัทธาของพระอีกต่อไปแล้วยมขอส่งเสริมทุกวิถีทางแต่ขอพระระวังตนอย่าได้ประมาทยมจะคอยสนับตะฟังข่าวด้วยความหุ่นใหญ่ ขอจงชำระแกมุมันที่คอยล่าทําลายตะบะของพระของแม่จงพู่นจากภัยนนาประกาศด้วยเธอเมื่อยมแม่อำลากลับไปแล้ว วันกำหนดเดินทางเข้าไปมอบตัวยังเมืองลำพูนก็มาถึงวันนั้นพอตะวันฉายฟ้าไม่นานนักพระครูบาสีวิชัยพร้อมด้วยพระเนนและชาวบ้านทั้งปวงราวหนึ่งพันคนได้เคลื่อนขบวนจากวัดบ้านปางคนจำนวนนับพันพร้อมใจกันเดินทางเข้าไปรับโทษทันอย่างไม่ย่อท้อและเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันเช่นนี้ ชาวลานานาทั้งปวงจึงไม่อาจจะละเลยเสียได้ต่อการจดจำเอาไว้ในดวงใจและดวงวิญญาณของพวกเขาเพราะมันเป็นครั้งแรกและอาจจะครั้งเดียวในประวัติศาสตร์ของถิ่นไทยงาม พระครูบาศรีวิชัยผู้ต้องอธิกรกับภิสษุสามเณรส0 0ร้อยเศษทายกไทยิกาซึ่งประกอบไปด้วยชาวบ้านมีชาวบ้านปางและชาวเขาต่างๆรวมแล้วก็หนึ่งพันเศ็ทเรเื่องจากวัดบานปางอำเภอลี้มุ่งสู่เมืองลำพูนโดยอาการกริยาอันกล้าหารร่าเริงขบวนมนุษย์ที่ชุมนุมเอาไว ทั้งเพศบรพระจิตและครอหัตนี้พร้อมสับไปด้วยสเสบียงอาหารปัจจัยทายทานเสื่อหมอนมีดพระเครื่องใช้ในการทำกินและพักผ่อนหลับนอนไม่ได้ขาดบรรดาพระเนนแต่ละรูปมีผ้ามัดอกมีประคำแขวนคอมือหนึ่งถือพัดอีกมือหนึ่งถือไม้เท้าคล้ายคลึงกับครูบาศรีวิชัยผู้นา ได้ย่างเท้าไปด้วยใบหน้าที่อิ่มเอิบผ่องใสบรรดาศรัทธาทั้งหลายเล่าก็จับขบวนค้องระคังปีกรองของชาวเขาเผ่าต่างๆกันอย่างคลกคลื้นดุดประหนึ่งงานปล่อยเสียงดนตรีและเสียงโหร้องไม่ขาดระยะของกองทัพธรรมอุงคขึ้นไปทั่วป่าเขายิ่งเคลื่อนขบวนยิ่งปรากฏว่าชาวบ้านชาวเขา หอบอยู่สเสบียงเครื่องใช้เข้ามาร่วมขบวนด้วยไม่ได้ขาดพ้นจากอำเภอ t ีไปได้ไม่ทันไรขบวนของไพรพลแห่งกองทัพธรรมของพระครูบาศรีวิชัยก็เพิ่มขึ้นถึง 1,500 พคนคลื่นมนุษย์กลุ่มนี้ เคลื่อนที่ไปข้างหน้าจนตะวันรับเปลี่ยมผาพระครูบาสีวิชัยจึงได้ประกาศให้พำนักนอนนักตีนเขาดอยพระบาทสามยอดฝ่ายครวาสก็หุงหาอาหารกินกันฝ่ายปรรพชิตก็สวดมนต์แล้วก็พักพรด้วยความอิดโรย รุ่งแจ้งแสงทองพระกูบาศีวิชัยรับบินธบาตจากชาวบ้านแถวนั้นแล้วก็นำกองทัพธรรมของท่านเคลื่อนขบวนต่อไปค่ำที่ไหนก็พักที่นั่นแต่ละแห่งที่น้าใจศรัทธาของชาวบ้านนั้นมีมาไม่ได้ขาดกิตติศัพท์ของพระกูบาสีวิชัยขจรกระจายไปทั่วแผ่นดินถิ่นนั้นเสียแล้วมีแต่คนใคร่ที่จะเห็นหน้าของพระกูบาศีวิชัย คนที่ได้เห็นแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาสการะบูชาจัดอาหารหวานข่าวมาถวายด้วยจิตศรัทธาไม่มีใครสักคนเลยที่จะยอมเที่ยวว่าพระกูบาศรีวิชัยกระทำผิดตามข้อกล่าวหาที่ล่ำลือกันมีแต่เปล่งวาจาสงสารพระผู้บริสุทธิ์ซึ่งมีแต่รอยยิ้มบนใบหน้าผิวกายผุดผ่องงดงามด้วยหังสีแห่งกาสาวพั ยิ่งได้ฟังคําปลาศัยทักทายจากพระครูบาสรีวิชัยด้วยแล้วศรัทธาประสาตะก็ยิ่งบังเกิดเพิ่มพูนขึ้นในดวงจิตของชาวบ้านชาวเขาทั้งหลายขบวนยิ่งเคลื่อนไปจํานวนคนก็ยิ่งเข้ามาสมทบมากขึ้นยิ่งย่างเขตเมืองลําพูนอันเป็นจุดหมายปลายทางของพระครูบาสรีวิชัยชาวเมืองหาิพุนชัยต่างก็พากันแตกตื่น มลูกจูงหลานมารอดูหน้าของพระกูบาศรีวิชัยกันเป็นเนืองนน่นทั้งสองข้างทาง เมืองลำพูนเตรียมต้อนรับพระกูบาศิีวิชัยไว้แล้วด้วยกองกำลังตำรวจในเครื่องแบบพร้อมอาวุธครบมือกระจายสกัดกั้นเต็มถนนหน้าวัดอริภูมิชัยอันเป็นที่สุดแห่งการเดินทางเข้ามอบตัวของพระกูบาศิีวิชัยกับพระภิกษุสามเณรวัดบ้านป่างขบวนคนจำนวนพันได้ชะงักหยุดลงเมื่อตำรวจประกาศ คำต้อนรับด้วยประโยคแรกว่าตำรวจขอปลดอาวุธทุกคนผู้ใดมีอาวุธนํามาปรดเอามามอบเสียแต่โดยดีอาวุธของกระบวนพระครูบาศรีวิชัยนอกจากพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธองค์แล้วก็มีเพียงมีดบางมีดโตสําหรับทำครัวผ้าฝืนเท่านั้นแม้กระนั้นตำรวจก็ยังรีบ ทั่งมีดตัดเล็บมีดเหล่าดินสอของพิสุสามเณรตำรวจก็ยังไม่ละเวน้นตำรวจก็เหมือนกันทุกยุคทุกสมัยซุ่มหัวไว้ด้วยความหวาดระแวงและมุ่งทำร้ายความดีความชอบเสียจนไม่คำนึงถึงศีลธรรมใดๆทั้งสิน้นและแม้คำสั่งที่มีชอบด้วยกฎหมายตำรวจก็ยังกล้าปฏิบัติขอเพียงให้ได้ราบได้ยศมาเป็นบำเหน็ตเท่านั้นก็พอ การปฏิบัติเลยเถิดของตำรวจที่ริบแม้กระทั่งมีดตัดเล็บมีดเหล่าดินสอทำให้พระเนนและประชาชนไม่พอใจบิดหนองเลือดกันตรงหน้าวัดประทาตหริพุชไชหากแต่พระคูบาศิีวิชัยเปล่งวาจาให้ทุกคนอยู่ในความสงบและปฏิบัติตามตำรวจเหตุการณ์จึงเรียบร้อยปราศจากการต่อต้านขัดขืนจากผลพักของท่าน พระครูบาสิีวิชัยและพระเนรสารุสิตทั้ง200เศษถูกนำเข้าวัดชาวบ้านชาวเขาจำนวนพันถูกกันไว้นอกวัดพอดีเวลาพรบค่ำเจ้าหน้าที่จึงได้จุดยามตามไฟขึ้นรอบวัดฮริปุลไชและอยู่ยามเฝ้ากันอย่างเข้มแข็งประชาชนผู้ตามพระครูบาสิีวิชัยมาด้วยศรัทธาก็มีได้ยอดท้อพักผ่อนหลับนอน รอมลอบวัดแห่งนี้อยู่นั่นขนาดแต่ทุกคนไม่อาจนอนหลับสนิทได้ด้วยเกรงภัยจะเกิดแก่พระคุณเจ้าผู้ที่เป็นที่เคารพของพวกเขาบางครั้งบางคนถึงกับระมือตะโกนด่าทอเจ้าหน้าที่ผู้ใช้อำนาจที่ไม่เป็นธรรมในครั้งนั้นการประลองกำลังระหว่างฝ่ายพุทธจักรกับอาณาจักรได้อุบัติขึ้นแล้วอย่างจริงจังและขยายตัว ไปสู่จุดเดือดยิ่งขึ้นอรุณแรกที่พระกูบาศีวิชัยได้รับการกักตัวไว้ในวัดพระธาตุริพุนชัยนั้นชาวเมืองลำพูนที่มั่นในพระพุทธศาสนาและใจบุญสุนทานต่างเตรียมข้าวปลาอาหารดอกไม้ทูกเทียนแห่กันมาจนแน่นขนาด เพื่อขอเข้าไปถวายอาหารแก่พระกูบาสีวิชัยและพระเนนสารุสิทธิ์แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ยอมให้ผู้ใดผ่านประตูวัดเข้าไปข้างในมีใหญ่ที่จะได้รับคำวิงวอนเพียงเพื่อถวายอาหารเพื่อให้พระที่ยังมีชีวิตอยู่ตำรวจก็หายินยอมไม่ประชาชนจึงพากันผิดหวังส่งเสียงทุ่มเถียงกับเจ้าหน้าที่อยู่อึ้งเวลาผ่านไป พระเนนทั้งปวงในวัดจึงพากันหิวโหวยแต่ทุกรูปไม่ปริปากเพราะพระครูบาสิวิชัยผู้นำยังคงนั่งสมาธิวางอารมณ์สงบนิ่งอยู่กระทั่งเวลาล่วงมาถึงส0นาฬิกาพระครูบาสิวิชัยกับพระเนนสารุสิตก็ยังไม่ได้ฉันอาหารเลยแม้สักรูปเดียวแม้กระนั้นทุกรูปก็ยังสำรวมสงบนิ่งอยู่ต่อไป ขณะนั้นเองก็มีบุรุษอาชาในผู้หนึ่งซึ่งไม่อาจอดทนต่อปฏิบัติการที่ไล้สามัญสำนึกของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปล่อยให้พระเนนถึง200รูปอดอาหารชายผู้นั้นมีผู้เล่าไว้ว่าเป็นเชื้อชาติเงี้ยวตั้งถิ่นฐานอยู่ในเมืองลำพูนเป็นเวลาช้านานมีนามว่าสังสาสังสาร่างสูงใหญ่ สักมึกเขียวหมึกแดงเต็มตัวองค์อาจกล้าหาญไม่กลัวความตายแต่ใจบุญสุนทานและศรัทธาในพระพุทธศาสนาแ ก, กา่กล้าโดยเฉพาะพระครูบาสีวิชัยสั่งสายกย่องบูชาเป็นพิเศษเมื่อตำรวจไม่ยอมให้ประชาชนเข้าไปถวายบิณฑบาตพระในวัดมาตั้งแต่เช้าพอใกล้เพนเข้ามาสั่งสา ก็สิ้นความอดทนเขาผุดขึ้นยืนร่างอันสูงใหญ่ของเขาชูมือขึ้นเหนือศีรษะประกาศกล้องไปทั่วบริเวณหน้าวัดพระธาตุริพุนชัยว่าเราไม่อาจจะปล่อยให้พระเนนปดอาหารต่อไปได้อีกแล้วผู้ใดปรารถนาถวายอาหารพระก็จงนำของตามเรามาเกิดเราจะนำหน้าเองหากตำรวจยิงมา เร า, เราขอแบกป ก, ปกของขอเรารับกระสุนสั่งสาไม่ได้พูดแต่ปากเขาทำตามปากพูดจริงๆเดินอาดอาดนำหน้าประชาชนซึ่งพาขันยกถาดยิ้วบินโตติดตามสั่งสามาเป็นร้อยๆตำรวจยกกูนยาวสกัดสั่งสาก็ไม่สนใจเอามือปัดปากกระบอกปืนให้ห่างไปแล้วประชาชน ก็ทะวงเข้าประตูวัดไปดือด้อเมื่อฝ่ายหนึ่งจริงอีกฝ่ายหนึ่งแม้จะมีอาวุธมีเป็นจำนวนน้อยกว่าก็ไม่มีใครอยากจะเจ็บตัวแน่เพราะหากกระสุนลั่นออกไปเพียงนัดเดียวเท่านั้นตำรวจนับจำนวนเพียงสิบสิบหรือจะประทะกับประชาชน นับจานวนพันๆที่ล้อมรอบวัดอยู่อย่างแน่นขนัดดังนั้นตำรวจจึงยอมหลีกทางให้สังสารนำประชาชนครูกันเข้าไปในวัดพระธาตุได้อย่างสะดวกสบายชัยชนะไม่ได้เป็นของสังสารหรือประชาชนคนใดหากเป็นชัยชนะของพระกูบาศีวิชัยซึ่งได้มาด้วยการต่อสู้อย่างสงบสันติ เยียงสาวกของพระพุทธองค์โดยแท้พระเนนทั้งปวงจึงรอดจากการอดอาหารทุกรูปแม้กระนั้นอาหารก็ยังเหลือไก่กองจนต้องเจือจานไปให้พระเนนของวัดฮาริพุนชัยและเผลือแพ่ออกมาถึงชาวบ้านชาวเขาบ้านปางที่ลงทุนมาตั้งกองพมนักหลับนอนล้อมวัดรักษาพระครูบาศรีวิชัยอยู่ทั้งคืน เมื่อข่าวประชาชนในการนำของชายชาติเนื้วสั่งสาแพร่ไปถึงเจ้าครองนครเจ้าเมืองและเจ้าคณะจังหวัดคนพวกนั้นก็หวั่นไหวต้องหันหน้ามาปรึกษาหาลือกันที่สุดทุกคนก็ใจตรงกัน โดยเห็นว่าคืนให้พระครูบาสีวิชัยอยู่เมืองลำพูนต่อไปเมืองอันสงบแห่งนี้คงลุกเป็นไฟอย่างแน่นอนอยากกระนั้นเลยเสือกสสยให้พระครูบาสีวิชัยให้ไปทำเมืองอื่นให้ลุกเป็นไฟแทนจะเหมาะกว่าคิดได้ดังนั้นเจ้าเมืองลำพูนก็รีบทำหนังสือด่วนแจ้งไปยังเมืองเชียงใหม่ซึ่งในยุคนั้น เป็นศูนย์ทําการของบนทนพายัพให้มารับตัวเอาพระกูบาสีวิชัยไปเก็บไว้ที่เชียงใหมเ่เถิดเมืองลำพูนคับแคบเกินกว่าที่จะพิทักษ์รักษาพระกูบาสีวิชัยเอาไว้ได้แล้วแม่จันดีแม่บังเกิดเกล้าวัยวจวนๆ จ, จะแปดสิบของชรินนันทนาคอนได้เล่าว่าทั้งเชียงใหม่เขาว่าจ้างรถมอเตอร์ คือรถยนต์ในสมัยนั้นซึ่งเป็นรถของแจ็กโง่ซึ่งเป็นในห้างเตียวเมี่ยงไทยไปรับพระคูบาศิีวิชัยที่เมืองลาพูนเมื่อเอาตัวมาแล้วก็ควบคุมเหมือนนักโทษฉันเห็นกับตาพระคูบาศิีวิชัยท่านไม่ได้วันหวาดไม่ได้หวาดกลัวอะไรหรอกหน้าตาของท่านยิ้มแย้มผ่องใสอยู่ในอุเบกขาหน้าชื่นใจแท้ วิธีของชนชั้นปกครองไม่ว่าจะยุคสมัยใดเหมือนกันหมดลงถือว่าผู้ใดเป็นศัตรูแล้วแล้วก็จับให้มั่นคั้นหมายให้ไหววอดกรณีพระกูบาสีวิชัยก็เช่นกันกีวรที่ท่านห่อคุ้มกายไม่อาจจะเป็นข้อยกเว้นสําหรับตัวท่านได้เลยเช่นเดียวกับกีวรที่ห่อหุ้มกายของพระกูยานมงคลเจ้าคณะจังหวัด กับเจ้าคณะแขวงลีก็หาใช่เครื่องหมายที่แสดงว่าพระทั้งสองรูปได้สละแล้วซึ่งกิเลสหนาของปุถุชนตรงข้ามปฏิบัติการของทั้งทั้งสองกลับแสดงว่าปุถุชนมากหลายทีเดียวที่กิเลสเบาบางกว่าท่าน แยกแล้วทำลายเกิดขึ้นกับความคิดของผู้มีอำนาจโดยธรรมชาติไม่เลือกยุคสมัยพระกูบาสีวิชัยตกเป็นเหยื่อของแผนนี้จนได้เมื่อท่านถูกแยกตัวไปเชียงใหม่ทางการก็ร่วมมือกันระหว่างฝ่ายบ้านเมืองกับฝ่ายสงอนุญาตให้พระภิกษุซึ่งมีสิบเพียงสี่รูปติดตามรถไปด้วยในครั้งที่ไปส่งพระกูบาสีวิชัยถึงวัดสีดอนชัย ตำบลช้างครานอํนเาเภอบางเชียงใหม่แล้วพระสี่รูปก็ถูกอัปเปหิกลับมาลําพูนถูกกักตัวร่วมกับพระเนนอีกสี่รอยรูปที่ยังถูกกักขังไว้ในวัดฮริพุนชัยเมืองลําพูนเมือ่อไม่มีครูบาศรีวิชัยเสียรูปเดียวจิตใจของพระเนนจํานวนร้อยๆที่ถูกกักอยู่ในวัดฮริพุนชัยก็ปั่นป่นปวนเจ้าคณะจังหวัด พร้อมด้วยสมผู้ใหญ่ร่วมกับผู้ราชการในอำเภอข้าราชการผู้ใหญ่ของจังหวัดหลายท่านทําการทั้งปลอบทั้งขู่พระเนรเหล่านั้นตามชั้นเชิงของชอนชั้นปกครองด้วยวัตถุประสงค์ที่สรุปให้พระเนรปฏิบัติได้สองประการคือ 1. ให้ยอมลงความเห็นว่าพระคูบาสรีวิชัยกระทําผิดวินยัยขัดคําสั่งราชการต่างพระราชบัญญัติ คณะสงฆ์จิงตามข้อกล่าวหาสองการมีศรัทธาเคารพ บ, บูชาพระครูบาสีวิชัยนั้นเป็นไปโดยหลงผิดเพราะถูกล่อลวงบ้างถูกบังคับด้วยอิทธิพลบ้างหากพระเนรรูปใดร่วมมือกับราชการและฝ่ายเจ้าคณะจังหวัดแล้วก็ให้ลงลายมือชื่อยืนยันเอาไว้ถ้าผู้ใดยังดึงดันที่จะยึดถือพระครูบาสีวิชยัย เป็นพระอาจารย์อยู่ต่อไปก็จะตระทำการจับศึกไม่ให้อาศัยอยู่ที่วัดบ้านป่าอีกต่อไปทุนการปลอบและรู่ของชนชั้นปกครองร่วมกับเจ้าคณะจังหวัดปรากฏออกมาว่าพระเนนแตกแยกความคิดออกเป็นสองฝ่าย ฝ่ายละกามกึมกันฝ่ายแรกเห็นว่าเพื่อไม่ให้ครูบาศรีวิชัยต้องเดือดร้อนได้รับการกำแกล้งอีกจึงพากันยอมลงชื่อเอาไว้ตามข้อเสนอของฝ่ายที่มีอำนาจสอบสวนฝ่ายหลังกลับเห็นว่าการลงชื่อโดยที่จิตใจมิได้เออไวยด้วยนั้นเป็นการมุสาต่อตอนเองผิดแผกไปจากคำสอนของพระครูบาศรีวิชัย ด้วยระแวงไปว่าฝ่ายสอบสวนจะถือโอกาสเอารายมือชื่อที่ลงไปทำการโฆษณาทับถมพระครูบาศรีวิชัยให้ได้รับอธิกรณ์หนักขึ้นก็เป็นได้จึงพร้อมใจกันไม่ลงชื่อแต่พระเนนฝ่ายหลังก็ฉลาดบายเบี่ยงไปว่าขอตามพระครูบาศรีวิชัยไปเชียงใหม่ก่อนพระครูบาศรีวิชัยแนะนำอย่างไร ก็จะทำอย่างนั้นคณะกรรมการสอบสวนก็ไม่ยอมซ้ำยังขู่ว่าไกลตามพระครูบาสรีวิชัยไปเชียงใหม่จะเอาโทษให้หนักพระเนนฝ่ายหลังมีจำนวนราว200รรูปล้วนแต่ใจเพชรทั้งสิ้นเมื่อถูกขู่ให้ลงชื่อและจะลงโทษหนักถ้าตามพระครูบาสรีวิชัยไปเชียงใหม่พระเนนทั้ง200รูปก็พร้อมใจกันค่อยๆเล็ดรอด หลบหนีไปเสจากวัดฮริปุนชัยดำดินไปอยู่ตามที่ลี้ลับที่ซ่อนเร้นรอสดับตรับฟังข่าวของพระครูบาศรีวิชัยต่อไปถ้าคนทั้งสองร้อยคนไม่ได้ครองจีวรเป็นพระเนนเสียอย่างเท่านั้นพวกเขาก็คงหลบจากบนดินไปอยู่ใต้ดิน จับอาวุธคอยสังหารพลานชีวิตนักปกของชั่วๆต่อไปเช่นที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้ผู้ที่จะเข้าทาการแย่งชิงเอาตัวของพระครูบาสีวิชัยก็ไม่ใช่โจรผู้ร้ายที่ไหนที่แท้ก็คือประชาชนชาวเมืองลาพูนเชียงใหม่และพวกชาวเขาเผ่าต่างๆนั่นเองแสดงว่าไม่ว่ายุคสมัยใดสิ่งเดียวที่ชนชั้นปกครองหวาดวัน ก็คือพลังของประชาชนฝ่ายพระกูบาศีวิชัยขณะที่ถูกควบคุมตัวอยู่ที่วัดศรีดอนไชยนั้นหาได้ปรากฏกิริยาทุกร้อนให้ผู้ใดได้เห็นไหมคงนั่งวิปัสสนากรรมฐานอยู่ทุกวันใบหน้าผิวพรรณก็คงผ่องใสเหมือนเดิมพบเห็นผู้ใด ก็ยิ้มแย้มเป็นปกติปราศจากอาการหวั่นเกรงอนำนาจทรรใดๆจึงนับว่าท่านชนะจิตใจประชาชนเชียงใหม่ซึ่งเดิมได้ยินแต่กิตติศัพท์ของพระครูบาศีวิชัยเท่านั้นไม่เคยเห็นหน้าฆ่าตามาก่อนดังนั้นยิ่งถูกกักตัวนานไปวัดสรีดอนชัยก็ไม่ปกติสุขนอกจากประชาชนชาวเมืองผู้มีจิตสภา นำอาหารเครื่องไทยทานเข้าไปถวายพระครูบาศีวิชัยแล้วบรรดาชนชาวเขาเผ่าอื่นๆอาทิเช่นกะเลี่ยงก้อยางขมุมูเซ์ก็พากันหลั่งไหลสู่วัดศรีดอนชัยฉเฉลี่ยผู้มีจิตศรัทธาเข้ามาเยี่ยมเยียนถวายอาหารเช้าเพลงในแต่ละวันไม่น้อยกว่า200คน วัดศรีดอนชัยไม่เป็นอันกินอันนอนเพราะคิดไปต่างๆนานายิ่งทางการมีคำสั่งในตอนหลังให้จดชื่อของคนที่เข้ามาหาพระกูบาสิีวิชัยถึงตัวท่านไว้ทุกคนอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายก็ไม่ขั้นคล้ามผู้คนคงเนืองแน่นวัดศรีดอนชัยราวกับมีงานปล่อยทุกวันพ่อค้าแม่ค้าถือโอกาสยกหาบเร่บ้างแผงรอยบ้าง เข้ามาตั้งค้าขายอยู่เต็มวัดไปหมดเจะาอาวาดก็หาความสงบทางจิตใจไม่ได้เจะาอาวาสจึงดิ้นรนช่วยตัวท่านเองโดยเสนอแนะคณะกรรมการสอบสวนซึ่งไม่ค่อยจะได้สอบสวนอะไรมากมายนักเพราะสอบเท่าไหร่ก็ไม่ได้ผลจึงให้ส่งตัวพระครูบาศรีวิชัยเข้ามารับการสอบสวนจากสมเด็จพระสังฆราชกรมวชิรญาณวโรรสในกรุงเทพ วัสีดอนชัยจะได้พ้นจากงานมหากรรมไปเสียทีข้อเสนอของเจ้าอาวาวสวีดอนชัยทาให้เทศาลพิบาลมนทนเจ้าคณะเมืองเชียงใหม่เจ้าคณะสงฆ์เชียงใหม่ประชุมหาลือกันในที่สุดก็เห็นด้วยเพราะเป็นหนทางเดียวที่จะปัสวะจากการถูกสาปแช่งและเป็นอริกับประชาชนไปเสียให้พ้นหูพ้นตา จึงได้กำหนดวันส่งตัวพระครูบาศีวิชัยเข้ากรุงเทพสามเดือนกับแปดวันพอดีที่พระครูบาศีวิชัยถูกกักตัวอยู่ในวัดสีดอนชัยเมืองเชียงใหม่ได้มีโอกาสย่างก้าวออกมานอกวัดเพื่อเดินทางไปกรุงเทพวันเดินทาง พระครูบาสีวิชัยถูกนาไปนั่งเสียงหามตำรวจถือปืนรายเลียงกันสองข้างพอเสียงถูกหามออกมานอกวัดตารวจกับเสียงก็ต้องหยุดชะงักเพราะประชาชนมาออ ก, กันนน่นขนาดเต็มถนนพ้นทางไปหมดแต่ละคนเข้ามาประเคียงเครื่องไทยทานให้ท่านบางคนก็มอบเงินให้พระครูบาศีวิชัยติดตัวไปใช้ในกรุงเทพส่วน อนุสารสุนทรพ่อค้าคนสําคัญของเชียงใหม่ขณะนั้นบริจาคเงินส่วนตัวให้ถึงหนึ่งช่างให้พระกูบาศรีวิชัยจากศรีรัญชัยไปถึงโลงหนังช้างครานประชาชนคับคั่งยาวเหยียดเต็มไปหมดประชาชนไม่ได้ไประสงค์พระกูบาศรีวิชัยโดยอาการอันสงบเปราะบางคนส่งเสียงวิจารณ์การกระทําของบ้านเมือง บางคนก็ตะโกนด่าอำนาจอธรรมที่คุกคามแม้แต่พระตำรวจที่คุมเสี่ยงแต่ละคนหน้าซีดเหมือนไก่ต้มประชาชนที่รอส่งพางกันเดินตามเสี่ยงพระครูบาสีวิชัยเร่ยมาสมทบกับประชาชนที่รอดักตามรายทางไปจนถึงโบสถ์คริสเตียนข้างโรงแรมสีประกาศ ที่ซึ่งรถยนต์ของแจ็คหวนจอดรออยู่จึงทำให้เห็นประชาชนมืดฟ้ามัวดินเต็มไปหมดพระครูบาสีวิชัยยิ้มแย้มทักทายอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายรอยยิ้มอันเปลี่ยนไปด้วยเมตตาของท่านเรียกน้ำตาอุบาสิกาผู้ใจอ่อนให้ร่วงรินได้หลายร้อยคนพร้อมกันกับที่น้ำตาของผู้หญิงหลั่งไหลน้าตาของผู้ชาย ก็กระจายฝอยของมันออกมาเป็นคำพรุศวาสผู้คนที่มันดังแก่พระเมื่อลงจากเสลียงขึ้นรถยนต์พอรถยนต์เคลื่อนที่ประชาชนก้องโห่ร้องอ่ำเนยพรให้ท่านประสบแต่ความสวัสดิมงคลคาดแกล้วจากภัยทั้งหลายส่งเสียงชัยโยกันอึงขนึง เสียงเชยโยของชาวเชียงใหม่จางหายไปตามระยะทางที่รถยนต์แล่นจากมาไม่ช้าพอรถยนต์ที่บรรทุกพระกูบาสิวิชัยล่วงเข้าเขตเมืองลำพูนเสียงเชยโยโห่ร้องของชาวลำพูนก็กึก ก, ก้องขึ้นเป็นการรับช่วงกันตำรวจไม่ยอมจอดรถให้พระกูบาสิวิชัยแต่ทักทายผู้ใดมุ่งตรงไปวัดอริพุนชัย เพื่อให้พระครูบาสรีวิชัยค้างคืนเช้าวันรุ่งขึ้นจึงจะส่งตัวท่านขึ้นรถไฟเข้ากรุงเทพพระเนนจำนวนร้อยรูปที่หลบลี้หนีภัยอยู่ตามที่ต่างๆได้ปรากฏกายขึ้นในปีนี้เองแต่ก็ได้แต่ด้อมๆมองๆ อ, อยู่นอกวัดเพราะตำรวจไม่ยอมให้ใครเข้าพบพระครูบาสรีวิชยัยโดยเด็ดขาดไม่ว่าบันทึกหรือครอหอัด ปฏิบัติการดังประหนึ่งพระครูบาสีวิชัยเป็นอาชญากรตัวร้ายที่มีโทษขั้นเดียวคือประหารชีวิตสมัยนั้นทางรถไฟยังตัดขึ้นไปไม่ถึงลำพูนขึ้นมาได้แค่วังตองเรียกกันว่าสเตชันวังตองพระครูบาสีวิชัยถูกนำตัวไปขึ้นรถไฟที่นั่นพระเนนประชาชนก็ตามไปส่งกันหนึ่งนั่นนาเอาปัจจัยเทยทาน ไปถวายกันมากมายกายกองจนพนักงานรถไฟตกใจนึกว่าพระสงค์จะลงไปกรุงเทพเป็นคณะใหญ่แท้จริงแล้วกลับมีเพียงรูปเดียวกับผู้ควบคุณสองคนเท่านั้น เื่อรถไฟเปิดบูดพาครูบาศีวิชัยออกจากสเตชั่นวังตองอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายหลั่งน้ำตาสะอึกสะอื้นด้วยความอะไรแลงห่วงใหญ่พระครูบาสีวิชัยจะไม่ได้รับความเป็นธรรมจากกรุงเทพระหว่างรถไฟแล่นผ่านป่าเขาลำนาวไพรมุ่งตรงไปยังทางใต้นั้นบรรดาผู้โดยสารร่วมขบวนทราบว่าพระครูบาสีวิชัย มาในรถขบวนเดียวกันต่างก็จัดซื้ออาหารมาถวายเพนด้วยจำนวนมากมายเหลือเฟือผู้โดยสารหลายคนพยายามอ้อนวอนขอเครื่องรางของขลังจากพระครูบาศีวิชัยท่านขอยิ้มและสันหน้าบอกว่าเคยมีให้ใครเอาไว้เองก็ไม่มีเพราะพระพุทธองค์ไม่เคยสั่งสอนให้เชื่อถือในสิ่งเหล่านั้นบางคนขอให้รถน้ำมนพ่นน้าลาย เป่ากระมมพระครูบาสิีวิชัยก็สั่นหน้าปฏิเสธว่าไม่เคยทำรถไฟขาล่องไม่ต้องพักที่ลงปางเลยมาพักที่พิศณุโลกหนึ่งคืนประชาชนพิศณุโลกซึ่งได้กิติศัพท์พระครูบาสิีวิชัยมานานแล้วก็แห่กันไปทำบุญถวายอาหารเช้าในวันรุ่งขึ้นสเตชันพิศณุโลกก็หนึ่งแน่นไปด้วยศรัทธาทั้งหลายตามเคยประหนึ่ง พระครูบาศรีวิชัยเป็นสายน้ำไหลบ่าไปถึงไหนบรรดาปลาทั้งหลายก็แวกวหว้ลงสู่น้ำกันเนืองนั่นจะเรียกว่าพระคุณเจ้าโรคนี้เป็นพระของประชาชนโดยแท้เห็นจะไม่ผิดพลาดแน่ในที่สุดพระครูบาศรีวิชัยก็มาถึงกรุงเทพพระมหานครสมเด็จพระสังฆราชส่งรถยนต์ไปรับไปพำนักที่วัดเบญจมาบพิษ นวิหารสมเด็จอันเป็นที่พนักของสมเด็จพระสังคราชจากนั้นสำเนาสารสมเด็จพระสังคราชก็ปรากฏออกมาและถูกส่งไปยังกรม ม, มือรินวอศสิริวัตรด้วยข้อความดังต่อไปนี้ วัดใหญ่จังหวั ด, ดนนทบุรีวันที่15มิถุนายนพุทธศักราช2463กรมมมื่นชินวรศสิริวัฒน์สมเด็จเจ้าคณะใหญ่ขนกลางฉันได้อ่านหนังสือพิมพ์บางกอกไทยวันที่5เดือนนี้ตอนภาษาอังกฤษกล่าวถึงข่าวเมืองเหนือมีใจความว่ามีพระรูปหนึ่งอยู่วัดบ้านปางหรืออะไรจังหวัดลาพูน พระศรีวิชัยอายุราวสี่สิปีมีผู้คนนับถือมากพระศรีวิชัยนั้นขออนุญาตอุปสมบทต่อกำนันและอำเภอเขาว่าจักให้ครั้นรอมาจนถึงพรรษาบอกว่าไม่ได้พระศรีวิชัยเห็นว่าเขาอุปสมบทไม่ใช่ความผิดจึงทำการอุปสมบทแต่ไม่กล่าวความชัดว่าเป็นอุปชายะเองเจ้าคณะจังหวัด กับกรรมการอำเภอยกขึ้นเป็นความเอาตัวพระศรีวิชัยไปกักที่วัดหลวงหนึ่งปีแล้วปล่อยกลับไปบ้านปางแต่ถอดเสียจากตําแหน่งจเจ้าอาวาสต่อมาคณะกรรมการอำเภอไปตรวจที่วัดบ้านปางพระหนีเข้าป่าตรวจไม่สําเร็จจึงให้พระศรีวิชัยสํารวจเธอเถียงว่าเธอไม่ใช่จ เ, าาเจ้าอาวาสเจ้าคณะจังหวัดเรียกตัวเธอหาไปไหม่ ส่วนเจ้าคณะลำพูนนิมนต์ไปทำบุญเธอไปมีคนติดตามไปมากเจ้าคณะจังหวัดหาว่าเป็นกบฏจึงเอาตัวไปไว้ที่วัดหลวงอีกคราวนี้อุป ร, ราชมาพบเข้าพาตัวไปไว้ที่วัดศรีดอนชัยเชียงใหม่พระมหานายกออกไปสอบธรรมได้พิจารณาลงความว่าพระศรีวิชัยไม่ผิดเป็นแต่ไม่รู้พระาศาสนา ควรให้อยู่ศึกษาที่เชียงใหม่ให้ทำทันบนว่าจะไม่ขัดขืนภายหลังพระกูศรีวิชัยถูกส่งตัวมากรุงเทพผู้ส่งคือส่งสื่อข่าวต่างๆกล่าวว่าพระศรีวิชัยมีคนติดตามเช่นนี้สมควรที่รัฐบาลจะอุดหนุนส่งไปสั่งสอนคนจกได้ประโยชน์คนทำชั่วคงลดน้อยลง พระศรีวิชัยไม่รู้การพระศาสนาสมควรเอาไว้ให้ศึกษาก่อนแล้วจึงส่งกลับไปคําของบรรดาทีการว่านี้เป็นคําของผู้ที่นับถือพระศรีวิชัยเขาปรารถนาจะฟังคําของอีกฝ่ายหนึ่งนี่ก็คือวิธีการทํางานของหนังสือพิมพ์ยในยุคโนั้นรับข่าวมาจากฝ่ายหนึ่งก็ปรารถนาจะฟังจากอีกฝ่ายหนึ่งด้วยเพื่อที่จะให้ ถูกต้องตามข้อเท็จจริงและเป็นธรรมแก่ผู้ถูกกล่าวหาไม่มีการช่วยโอกาสฟังคำความข้างเดียวแล้วก็รีบร้อนตะบันพิมพ์ลงไปผลก็คือต้องมาเขียนขอเข้ามากันที่หลังเหมือนหนังสือพิมพ์บางฉบับในยุคนี้ ซื้อพิมพ์บางกอกไทยภาคภาษาอังกฤษที่สมเด็จพระสังฆราชกลุ่มพระวชิรยานวโรรสทรงอ่านนั้นเป็นฉบับประจำวันที่7มิถุนายนพุทธศักราช2463ความเห็นของบรรดาธิการบางกอกไทยฉบับนั้นที่ปรากฏใครได้ฟังคําจากอีกฝ่ายหนึ่งนั้นทําให้สมเด็จพระสังฆราชทรงเห็นด้วยและทรงปฏิบัติคอยตาม โดยระบุไว้ในสารของพระองค์ท่านที่ส่งไปถึงกรมมมื่นชินวรสิริวัตรประธานกรรมการสอบสวนพระครูบาศิีวิชัยเมื่อวันที่15เดือนเดียวกันนั้นในตอนหนึ่ง